ธรรมะจริงๆมีไม่มากธรรมะของพระเจ้าน่าอัศจรรย์เหมือนท่านเทศไปเยอะแต่เรารวบลงมาให้เหลือสั้นๆก็ได้นะธรรมะจากสั้นๆกระจายออกไปให้กว้างขนาดไหนเทศได้เป็นวันๆก็ไปได้อีกธรรมะแปลกบางคนก็ต้องฟังเยอะหน่อยบางคนฟังนิดเดียวก็เข้าใจแล้ว คนโบราณเก่งนะมีคาว่าเข้าใจของเราเข้าหูแถมเข้าหูหนึ่งออกหูหนึ่งออย่างเก่งก็เข้าสมองจำไว้ไม่เข้าใจเรียนธรรมะนัเรียนให้ใจนะมันมันเข้าใจให้ไม่เข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมถ้าเขาเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมแล้วเขาจะไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรม เมื่อเขาไม่ยึดถือรูปธรรมนามทาทมนะก็ไม่ยึดถืออะไรไม่มีอะไรให้ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นรูปธรรมนามทาทมทั้งนั้นทั้งภายในภายนอกก็เป็นอันเดียวกันหมดเมื่อไม่ยึดถือแล้วใจก็ปล่งนะเป็นอิสระมีความสุขมีความสงบพ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวง น, ะนี่เท่าเท่านี้ก็จบละ น่เทศฉบับย่อวันนี้ได้ข่าวมีทีมชื่ออะไรนะกิฟเรียกไม่ถูกกิฟฟลินใช่ไหมยอยู่ไหนช่วยยกมือหน่อยมากันจี่คนนะขอให้หลวงพ่อเห็นหนนะ่อยอ๋อส่วนให ญ, ญ่นั่งทั้งหผู้หญิงทั้งนั้นเลยเหรอมีผู้ชายมาคนเดียวนี่คล้ายๆเทวดา เทพประ บ, บุนะมีนางฟ้าห้าร้อยแสดงว่าอะไรผู้ชายมันไปตกนรกเยอะใครไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูซิยกสูงสูงเลยนะไม่ต้องเกรงใจหลวงพ่อจะได้ประเมินถูกว่าควรจะเทศขนาดไหน <Yeah. S 1> ไม่เคยฟังเคยปฏิบัติไหม เคยทำสมาธิกันไหมเคยนะมุ่งมาทางสมาธิหรือทำสมาธิมาก่อนก็ดีเหมือนกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนศนะีล ส, สมาธิปัญญา3อย่างนี้แต่ท่านสอนให้เรามีศีลสมาธิปัญญานะแต่บทเรียนที่ท่านสอนนะัชื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา ตัวจิตสิษย์ขานะั้นจะทำให้เราเกิดสมาธินี่สมาธิมีสองชนิดสมาธิเพื่อการพักผ่อนนะมีชื่อเรียกว่าอารมณูปนิชฌานสมาธิเพื่อการเดินปัญญาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานนี่ถ้าเราเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะเข้าใจสมาธิสองชนิดนี้ถึงเวลาต้องการพักผ่อนนะเราก็อยู่กับสมาธิชนิดพักผ่อน ถึงเวลาที่เรามีกําลังพอเรามาใช้สมาธิชนิดเดินปัญญาแล้วออกมาเดินปัญญานะการเดินปัญญาก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามนั่นเองมาเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราตัวเราประกอบด้วยกายกับใจรูปธรรมนามธรรมามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เรียนรู้จนวันหนึ่งแจ่มแจ้งเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะ ถ, ถึงจะเป็นมิปัสนาทำมิปัสนามีปัญญาแก่กล้าจิตจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจไม่ยึดในตัวกูของกูนั่นแหะพอไม่มีตัวกูของกูมันก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่ไหนความทุกข์อยู่ที่ขันอยู่ที่รูปธปรรมนามธรรมนั่นแหละในจิตไม่ไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาจิตก็ไม่ทุกข์ด้วยเนื้อทางเดินเเดินอย่างนี้นะเบื้องต้นต้องมีศีลไว้ก่อน มีศีลอย่างเดียวไม่พอต้องมาฝึกจิตฝึกจิตให้สงบฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสองอย่างนะในจิตที่ตั้งมั่นนั้นมีความสงบเจืออยู่ด้วยไม่ใช่ตั้งมั่นแข็งกระดกกระเดกไม่สบายไม่สงบไม่ใช่พอจิตมีความตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญานะการเดินปัญญาต้องเริ่มจากการแยกธาตุแยกขันกรูปแยกนามกายส่วนกายจิตส่วนจิตนะหัดแยกอย่างนี้ ปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทยานเนี่ยพูดเหมือนก็นง่ายๆนะบอกให้มีศีลมีสมาธิสองชนิดมีปัญญาพูดบอกให้มีพูดง่ายแต่มันจะมีจริงมันยากเริ่มที่รักษาศีลก็ยากแล้วไม่ใช่รักษาง่ายๆศีลศีลข้อไหนรักษายากที่สุดข้อสีนี่เป็นประชามตินะ ไม่ต้องให้ใครมาสำรวจเลยพวกเราลงมติเองเลยเข้าสีรักษายากอาจจะไม่ถึงกับสีขาดนะแต่สีดังพลอยเห็นพูดเพอเจอร์ใครพูดเพอเจอร์เป็นบ้างพูดเพอเจอร์แปลว่าอะไรเพอเจอเพอเจอนะไม่ใช่พูดคาว่าเพอเจอร์พูดเพอเจอพูดโดยไม่จำเป็นต้องพูดอะไร พวกเรเปลืองพลังงานไม่รู้จักประหยัดเอเนจีศีลน่นถือด้วยกายด้วยวาจานี่ถือด้วยมือด้วยเท้าถือด้วยปากถือยากต้องถือด้วยใจรักษากายรักษาวาจารักษายากศีลดังพร้อยง่ายต้องรักษาใจศีลถึงจะอยู่ได้ดีสมาธิก็เป็นเรื่องของใจเป็นเรื่องของจิตที่ตั้งมั่น จิตที่สงบนี่ก็เรื่องของจิตอกีกนะปัญญามันก็คือการให้จิตนะั้นได้เรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนา ม, มาทำถ้าจิตรู้ความจริงของรูปธรรมนา ม, มาทำแล้วจิตไม่ยึดถือในรูปธรรมนำมาทำนี่ก็เรื่องของจิตอกีกตรงบีมุติอริยมรรยายผลเกิดก็เกิดที่จิตอกีกนพะระพุทธเจ้าถึงสอนบอกทำทั้งหลายนะมีใจเป็นใหญ่ใจกับจิตนะั้นถือเป็นอันเดียวกัน ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จได้ด้วยใจจะถือศีลสำเร็จได้ก็ต้องถือด้วยใจนะจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสมาธิที่ใจจะมีปัญญาได้ก็ใจต้องเข้าใจนะจะมีวิมุตต์ได้ใจต้องรู้จักปล่อยวางนะลงมาที่จิตที่ใจทั้งนั้นเลยในการปฏิบัติจะชอบดูจิตหรือไม่ชอบดูจิตไม่สำคัญหรอก แต่การปฏิบัติถ้าไม่เข้ามาถึงจิตถึงใจเนี่ยอยู่ที่ผิวผิวอยู่ที่เปลือกๆปลือกเท่านั้นถือศีลก็ถือยากถ้าไม่สื่อด้วยใจสมาธิมีไม่ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีความสงบปัญญามีไม่ได้ถ้าจิตไม่ถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ปรากฏการของรูปปรรมนามธรรมวิมุตติไม่มีไม่ได้นะมีไม่ได้ถ้าสติสมาธิปัญญานี่ไม่ประชุมลงที่จิตในขณะจิตเดียวกัน งั้นเรื่องของจิตเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ต้องเรีย น, นเราถือศีลยากเย็นแสนเข็ญพ้าสติเราไม่ดีนะสติเราไม่ดีจิตเรามันถูกกิเลสครอบงำเรามาพัฒนาจิตนะให้พ้นจากอำนาจที่กิเลสครอบงับหาเครื่องมือมาคุ้มครองรักษาจิตเครื่องมือที่จะคุ้มครองรักษาจิตเรียกว่าสติสติทำหน้าที่อารักขาในอภิธรรมสอนเยสติมี งานของสตินะั่นคืออารักขาคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ชั่วนะถ้าเมื่อไหร่มีสติจิตจะไม่ชั่วถ้าเมื่อไหร่ขาดสติจิตเป็นอกุศลเรียบร้อยแล้วงั้นะสตินี่สำคัญมากท่านถึงใช้คําว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเราจะมาฝึกนะให้จิตนี่มีสติคุ้มครองรักษาอยู่แล้วศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะการรักษาศีลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตอยู่ คนเราทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงําจิตอย่างทําผิดศีลข้อหนึ่งนะไปฆ่าเขาไปทําร้ายเขาคนเราฆ่าเขาทําร้ายเขาเพราะอะไรเพราะโทสะครอบงําจิตใช่ไหมโลภะครอบงําจิตทําร้ายได้ไหมอยากได้ของเขาอนะเลยทําร้ายเขานะี่ยขวดอยากได้แย่งชิงเอา ไปทําไปขโมยของเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะโลภะครอบงำใช่ไหมขโมยเพราะเกลียดเขาได้ไหมไปแกล้งมันเพราะโทสะก็ได้ใช่ไหมไปเป็นชู้กับเมียเขาเนี่ยเพราะราคะแทรกก็ได้ไหมเพราะโทสะแทรกก็ได้เ ก, ก, ดกลียดผัวมันไปจีบเมียมันซะนพูดเท็จได้เพราะโลภะแทรกก็ได้ไปพูดจาหลอกลวงเขาเช่นจะจีบผู้หญิง คนเราโกหกเก่งที่สุดนะตอนเริ่มจีบกันใหม่ๆผู้ชายจีบผู้หญิงมันก็โกหกผู้หญิงนะผู้หญิงมันก็เต็มใจให้โกหกผู้หญิงมันพูดกับผู้ชายมันก็โกหกผู้ชายไม่ใช่ตัวจริงหรอกใส่หน้ากากมาหลอกกันตัวจริงยังซ่อนไว้ก่อนต่างฝ่ายต่างก็รู้นะรู้อยู่อย่ผู้หญิงแน่จะโง่อยู่เรื่องคิดว่าแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนผู้ชายได้นี่โง่ที่สุดเลย เปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเร็วไงมันก็เร็วอย่างนั้นแหละผู้ชายก็โง่นะคิดว่าผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนกับข้างกันนะคิดว่าพี่จ้าพี่จ๋าหงจ๋าทั้งชาติไม่ใช่ต่อไปเป็นไอ้แก่เราคอยรู้ทันจิตนะถ้ากิเลสเกิดที่จิตกิเลสครอบงำจิตเมื่อไหร่คนจะทำผิดศีลไดนะ้ทุกตัวเลยศีลแต่ละข้อแต่ละข้อ ไม่ใช่ว่าข้อสี่นะไปมุสาเนี่ยมุสาทำเกิดได้จากกิเลสทุกๆตัวเลยอย่างฟุ้งซ่านพูดเพ้อเจ้อมาจากกิตฟุ้งซ่านมาจากโมหะได้ไหมนั่นคือตัวโมหะตัวฟุ้งซ่า น, นไปพูดจาหลอกลวงปลิ้นปล้อนหลอกลวงหวังผลประโยชน์นั่นทำด้วยโลภะไปด่าไปว่าเขาเนี่ยทำด้วยโทสะนะกิเลสนะเป็นตัวที่ทำให้เราผิดศีล วิธีปฏิบัติที่เราจะรักษาศีลได้ง่ายนะมีสติรู้ทันจิตไปทุกคนรู้ได้ไม่ยากเรารู้จักกิเลสทุกตัวอยู่แล้วโลภเราก็รู้จักโกรธเราก็รู้จักหลงเราก็รู้จักฟุ้งซ่านเราก็รู้จักหดหู่เราก็รู้จักนะสงสัยเราก็รู้จักอะไรอะไรเราก็รู้จักอยู่แล้วนะต่อไปนี้ก็เพียงแต่ว่าความรู้สึกกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราเราคอยรู้ไวๆหน่อย ถ้าเรารู้ทันมันมันจะครอบงํำจิตไม่ได้ถ้าเรารู้ไม่ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยกิเลสจะครอบงํำจิตงั้นเบื้องต้นนะเราคอยรู้ทันจิตบ่อยๆกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันการรักษาศีลจะเป็นเรื่องง่ายเราจะไม่ต้องรักษาศีลแต่สติมันจะรักษาจิตเมื่อจิตได้รับความคุ้มครองจากสติแล้วกิเลสครอบงํำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นศีลชนิดนี้เป็นศีลชั้นดีนะ ไม่ใช่ศีลต้องขอใครเลยไม่ต้องไปขอจากพระสวดตั้งนานเริ่มจากอะไรไม่ยังพันเตใช่ไหมวิสุงวิสุงลัคนาถายยาสวด น, นานแล้วพระก็ให้นานพอให้เสร็จปุ๊บก็ผิดศีลละหันไปคุยกันจอ ก, จอ ก, จอกแจ๊กแจกแจ๊ข่งกับพระป่วยการศีลอย่างนั้นศีลพิธีการก็ดีเหมือนกันดีกว่าไม่มีคนบางคนก็ต้องอาศัยเปลือก มีรูปแบบก็ยังรู้สึกสังวรหน่อยวันนี้ไปขอศีลมาจะได้ตั้งใจไม่ทำผิดศีลแต่ยากถ้าไม่มีสติรักษาจิตแต่เป็นนี้ถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันนะรู้บ่อยๆนะศีลมันจะมาเองถ้าเรามีศีลเมื่อไหร่นะสมาธิมันจะเกิดง่ายคนไม่มีศีลจิตฟุ้งสั้นคนมีศีลจิตสงบง่าย อย่างคนคิดจะฆ่าเขาคิดจะตีเขาคิดจะขโมยเขาคิดจะด่าเขาคิดจะเป็นชู้กับเขาจิตวุ่นวายแน่นอนจิตไม่สงบแล้วนะัาการที่เรามีศีลนี่เรามีเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกจิตให้สงบต่อไปข้างหน้านะวิธีฝึกจิตให้สงบนี่ก็หากรรมฐานมาสักอันหนึ่งทำไมจิตไม่สงบจิตไม่สงบเพราะจิตเนี่ยเที่ยวร่อนเร่สแสวงหาความสุขไปเรื่อย มันคิดว่าถ้ามันวิ่งไปดูอันนี้มันจะมีความสุขวิ่งไปฟังอันนี้จะมีความสุขไปกินอันนี้จะมีความสุขไปสัมผัสอย่างนี้จะมีความสุขเนะที่ยวหาความสุขเที่ยวหาอารมณ์สนองอารมณนะ์อยากได้อารมณ์มาสนองกิเลสนั่นแหละคิดว่าถ้ามีอารมณ์ที่มีความสุขแล้วนะมันจะได้สบายใจจิตนะั่นเที่ยวหาความสุข การที่จิตเที่ยววิ่งหาความสุขนะร่อนเร่ไปในอารมณ์ต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในั่นแหละทำให้จิตฟุง้งซ่านจิตไม่มีสมาธิจิตไม่มีความสงบงั้นเราต้องทําจิตให้มีความสุขก่อนจิตจะสงบในตําราถึงสอนบอกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสอนชัดเลยนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นเรามาหาอารมณ์ที่มีความสุขจิตอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์มันนั้น แต่ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสจิตไม่ดีสงบแปนะ๊บๆนั้นกิเลสจะแทรกแรงๆอย่างบางคนเล่นไพ่แล้วมีความสุขอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ไม่นานไม่ดีต้องหาอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสใครอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธไปใครอยู่กับท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องพองยุบใครรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขก็รู้ลมหายใจ ใครจะเพ่งลูกแก้วเพ่งพระสัมมา ร, ระหังแล้วมีความสุขก็ทำไปเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยใครขยับมือทาจังหวะอย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ทาไปการที่เราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนจิตมันจะไม่หนีไปที่อื่นจิตมันแน่ว แ, แน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่ต้องดูให้ดีนะไม่ใช่ไปบังคับจิตอย่างบางคนนะไปเข้าสาัมมาพุทธโธ เราไม่เหมาะกับพุโทโธเลยพุโทโธเราไม่มีความสุขพยายามบังคับจิตพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตไม่สงบบางคนไม่ถนัดรู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไม่ถนัดดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบจิตไม่สงบนะเพราะมันเครียดต้องสังเกตให้ดีเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือที่ไม่ย่กิเลสตัวไหนแล้วจิตมีความสุขนะจิตมีสบายจิตผ่อนคลายรีแลกซ์อยู่กับตัวนั้น สัมมาระหังหน้ามา้าพาทะเหมือนกันหมดเลยนะกรรมฐานทั้งหลายในขั้นของสมถะกรรมฐานเนี่ยทั้งหมดนั้นเท่าเทียมกันนะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนไม่ดีไม่เร็วแตกต่างกันถ้าทําถูกก็ได้ผลอย่างเดียวกันถ้าทําผิดก็ได้ผิดอย่างเดียวกันผลของความผิดชนิดเดียวกันเกิดขึ้นนะงั้นไม่ต้องทะเลาะกันนะทะเลาะกันว่าวิธีไหนดีกว่าวิธีไหนนั่นโง่แล้วไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัติ ทางใครทางมันใครถนัดอะไรเอาอันนั้นการที่จิตเรามีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะจิตจะเป็นหนึ่งขึ้นมาอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งก็คือไม่หนีไปหาอารมณ์ที่2ที่สที่สี่อยู่ในอารมณ์ัเดียวใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุทโธจิตไม่หนีไปจากพุทโธเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมามีอารมณ์ันเดียวก็คือพุทโธหรือสัมมาระหังนะ ดูลูกแก้วดูพระอะไรเนี่ยจิตไม่หนีไปจัดพระไม่หนีไปจากกรรมบริกรรมจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งได้สมถะกรรมฐานเท่าๆกันเหมือนกันสมถะกรรมฐานเอาไว้ทําอะไรเอาไว้พักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังสดชื่นสดชื่นเพื่อจะทํางานต่อไปข้างหน้าไม่ใช่สดชื่นไม่ใช่พักผ่อนเพื่อจะพักผ่อนอย่างพวกเราบางคนพักผ่อนเพื่อจะพักผ่อนนี่พวกขี้เกียจนะ พักผ่อนแนละวันนี้พักผ่อนสายก็พักผ่อนมีเ้าล้อพระนะเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดเอาทั้งวันเลยเช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดเราพักเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเมื่อเราพักร่างกายเพื่อให้ร่างกายมีเรี่ยวมีแรงก็ออกไปทํางาน Cross งานหลักของพวกเราชาวพุทธนะคือวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่สมถกรรมฐานสมถะฝึกให้จิตสงบเท่านั้นวิปะนะัสสนานี่ยฝึกให้จิตเกิดปัญญาเห็นความจริงของรูปนามเพื่อจะได้ปล่อยวางบรรลุพระอ ร, ราหันต์ไปถึงพระนิพพานถึงพระนิพพานไม่ได้ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะไม่ว่าจะทํากรรมฐานอะไรนะถ้าจิตเป็นแนว่วอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วนิ่งอยู่งั้นมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวงั้นสมถะสมถะทั้งสิ้นเลย ไม่ไม่เกิดปัญญาแน่นอนจะเกิดปัญญาได้ไม่มีทางเลือกที่สองเลยนะต้องรู้รูป ร, รู้นามพระเจ้าถึงสอนบอกสติปัฏฐานใช่ไหมเป็นทางสายเอกทางสายเดียวในสติปัฏฐานมีแต่รูปและนามทั้งนั้นไม่มีเรื่องอื่นหรอกนะมีนิดหน่อยในกายานุตตศสนามีบางบัพเพะนะเป็นสมมุติบัญญัติอย่างพิณาปฏิกูลอาหารเป็นปฏิกูลอนะไรเนี้ยอันนี้เป็นสมถะที่แทรกเข้ามา สำหรับบางคนเรื่องจะต้องใช้สมาธินิดนหน่อยๆจะได้มีแรงไปทำกายานุปัสสนาได้เรามาฝึกนะฝึกพอจิตใจสงบแล้วอย่าให้สงบอยู่แค่นั้นเรามาฝึกสมาธิชนิดที่สองสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเราจะมาฝึกชนิดที่สองสมาธิชนิดที่สองจิตเป็นหนึ่งอารมณ์นับไม่ท้วน อารมณ์นั้นเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทางทวารทั้ง6ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมุนติ้วติติ้วติ้ตตตไปแต่จิตเป็นหนึ่งจิตเป็นคนดูจิตคล้ายๆเครื่องฉายหนังนะภาพในจอหนังนับไม่ถ้วนเลยเครื่องฉายหนังก็มีอยู่เครื่องเดิมนั้นแหละจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์นับไม่ถ้วนเราจะมาฝึกจิตชนิดนี้ทํายังไงจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เราต้องสังเกตให้ดีจิตชอบไหลไป เดี๋ยวไหลไปดูเดี๋ยวไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดอย่างนั่งฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยใจวิ่งมาหาหลวงพ่อเดี๋ยวก็ตั้งใจฟังฟังได้สองสประโยคหนีไปคิดคิดอะไรก็คิดเรื่องที่ฟังถ้าไม่คิดฟังอย่างเดียวไม่รู้เรื่องที่เราฟังหลวงพ่อรู้เรื่องเพราะเราฟังไปคิดไปเราฟังไปคิดไปเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วแต่เราไม่รู้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเลยว่าจิตฟังไปคิดไป สลับกันตลอดไปฟังเลคเชอร์อาจารย์ก็ฟังไปคิดไปไม่มีเราฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวจะฟังไม่รู้เรื่องเราสังเกตให้ดีจิตเดียวก็ไหลไปดูจิตเดียวก็ไหลไปฟังจิตเดียวก็ไหลไปคิดการที่เราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะถึงวันหนึ่งจิตมีจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูไม่ไหลจิตไม่ไหลมีอารมณ์มายั่วแต่จิตไม่ไหลไปมีรูปให้มองเห็นแต่จิตไม่ไหลไปที่รูป มีเสียงให้ได้ยินในจิตไม่ไหลไปที่เสียงมีความคิดเกิดขึ้นจิตไม่ไหลไปในความคิดไปดูท้องพองยุบจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่เท้าหายใจเข้าหายใจออกจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจพุโทโธอยู่จิตไม่ไหลไปอยู่ที่คําว่าพุโทโธจิตจะตั้งมั่นเป็นคนดูแต่การที่จะฝึกทีเดียวหทวารทํายากจิตไหลไปดูคอยรู้ทันจิตไหลไปฟังคอยรู้ทัน จิตไหลไปดมกลิ่นไหลไปลิ้มรสไหลไปกระทบสัมผัสอะไรไหลไปคิดไปนึกคอยรู้ทั้ง6ทวารเนี่ยทำยากเหมือนบ้านมีประตูทั้งหกช่องนะมันเด็กซุกซนมันหนีออกประตูไหนเนี่ยเวียนหัวเรานะปิดมันซะให้หมดเลยเปิดไว้ประตูเดียวนะเน่นอยู่ที่ประตูใจประตูเดียวก็พอจิตนี่แหละถึงจะไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดทั้งวันแต่จิตไหลไปคิดนั่นเกิดบ่อยที่สุด จิตของเราไหลไปคิดแทบตลอดเวลานะเพราะงั้นจิตหลงทางใจ เ, เกิดมากที่สุดเราไม่ต้องไปเรียนทั้งหทวารเมื่อเรียนมันทวารใจทวารเดียวนะอันนี้แหละคือธรรมะที่เนนงหนึ่งเคยสอนพระโปธิระเนนเป็นพระอรหันต์น่าอายุ7จ็ขวบเองพระโปธิระเป็นมหาเถระจบพระใจปิฎกเชี่ยวชาญพระใจปิฎกสอนธรรมะได้เยอะแยะเลยแต่ไม่เห็นธรรมะใจไม่มีธรรมะนะวันหนึ่งไปขอเรียนกรรมาฐานกับเนน ทำจริงไปขอเรียนกับพระเถระแล้วท่านไม่สอนให้ท่านบอกว่าสอนไม่ไหวความรู้เยอะกว่าผมอีกขอให้ใครสอนก็ไม่มีใครสอนนะั้นสุดท้ายไปขอให้เนนสอนเนนก็สอนแต่มีสัญญาว่าพระโพธิละต้องเชื่อฟังคําสอนของอาจารย์นะนี่ยังกับเรื่องอ Q สั่งไหชอบกวนเนาะพระโพธิละท่านก็ใจเด็ดนะบอกท่านจะเชื่อเนนสั่งเล้นท่านอาจารย์ลุยลงไปในน้ํา อย่าเอาจีวรออกนะเนี่ยจีวรของท่านเป็นจีวรไหมผ้าไหมราคาแพงลุยลงน้ำไปเลยนะท่านใจถึงท่านลุยลน้ำจริงๆนะพอน้ำเกือบจะแตะชายจนะีวรเน่งบอกหยุดก่อนเนี่ยแล้วเน่งก็ชี้ให้ดูจาปลวกอันหนึ่งบอกมีจาปลวกอยู่จาปลวกหนึ่งนะแต่เป็นจาปลวกเก่าแล้วบอกในจาปลวกมีรูเข้าออกได้หกรนะูมีเชียอาศัยอยู่ตัวหนึ่ง ท่านอาจารย์ต้องปิดซะห้ารูเปิดไว้รูเดียวแล้วดักไว้เดี๋ยวจะจับเฮียได้เนี่ยคือหลักของการทํากรรมฐานนะเฮียมันวิ่งออกทางทวารต่างๆนั่นเองคือจิตนั้นไหลออกทางทวารต่างๆนั่นเอ ง, งไปคอยดูมันยากยากเอามันที่ใจนี่แหละใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้เนี่ยเน้น than, แค่บอกพระโพธิละนะว่าจำปลวกมีรูหรูให้ท่านอาจารย์ปิดหรูเหลืหอไว้รูเดียวแล้วท่านอาจารย์จะจับเฮียตัวนี้ได้ ถ้าปรตีราฟังตรงนี้ปิ๊งเลยรู้วิธีปฏิบัติลนะท่านภาวนาไม่นานท่านก็บรู้พระอรหันต์แล้วก็แตกฉานมากเลยเพราะเรียนมาเยอะแล้วงั้นพวกเราเวทีที่จะฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปคิดคอยรู้จิตไหลไปคิดคอยรู้อาจจะสัมมาลรหังเหมือนเดิมพุทโธเหมือนเดิมรู้ลมหายใจเหมือนเดิมดูท้องพองยุบเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ดูให้จิตแนบเข้าไปกับอารมณ์ ถ้าจิตแนบอยู่ในอารมณ์เรียกว่าอารมณูปนิชานเป็นสมะถะกรรมฐานนี่เราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะเราเห็นนะเช่นรู้ลมหายใจถ้าจิตไหลไปเข้าไปที่ลมหายใจรู้ทันจิตไหลไปที่อื่นหนีไปคิดเลยรู้ทันคอยรู้ทันจิตที่ไหลเข้าไปนี้เลยยิพ่พจิตจะชอบไหลไปคิดสัมมาระหังอยู่ดีๆนั้นหนีไปคิดเรื่องอื่นนามาภาทาอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่น ให้ทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดเรื่องอื่นนะต่อไปเราจะชํานาญพอจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้สึกจิตไหลไปคิดปุ๊บรู้สึกทันทีที่รู้สึกจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตผู้รู้กับจิตผู้คิดนั้นตรงข้ามกันเมื่อไรเป็นจิตผู้รู้เมื่อนั้นไม่ใช่จิตผู้คิดเมื่อไรเป็นจิตผู้คิดเมื่อนั้นไม่ใช่จิตผู้รู้นะเะั้นเราค่อยรู้นะค่อยฝึกไปมาหัดเรียนกับหลวงพ่อไม่เคยฟังอะไรเลยวันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะ คอมีสติรู้ทันไปรู้ทันใจของตัวเองถ้ากิเลสเข้ามารู้ทันกิเลสเข้ามารู้ทันการรักษาศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ถ้าจะให้จิตสงบนะก็เลือกอารมณ์ที่จิตมีความสุขนะแล้วก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวเห็นไหมเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยถ้าจิตอยู่กับพุทโธมีความสุขก็อยู่กับพุทโธนะดูลูกแก้วมีความสุขก็ไปอยู่กับลูกแก้วจิตน้อมไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว จิตก็มีความสุขจิตมีความสุขจิตก็สงบนี่ได้สมถกรรมฐานถ้าจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูให้คอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิดถ้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนะเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อได้จิตผู้รู้แล้วเนี่ยเราจะได้เครื่องมือในการทำํำวิปัสสนากรรมฐานละเพราะการทำํำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะเราจะต้องมีอะไรมีสติรู้กายรู้ใจ นะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันจะตั้งมั่นนะเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้สัก่อนก่อนที่จะเดินปัญญาถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเดินปัญญาไม่ได้ไม่ใช่มีจิตสงบนะจิตสงบไม่เดินปัญญาหรอกจิตสงบขี้เกียจขี้คล้านนะอย่างมากก็เกิดนิมิตเห็นอะไรต่ออะไรเพลิอนออกไปโน่นนะไม่มีปัญญาไม่ยอมรู้กายรู้ใจ ให้คอยรู้ทานจิตที่หลงไปคิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้เพราะจิตเป็นผู้รู้แล้วดูกายทํางานดูใจทํางานไม่ต้องทําอะไรมากกว่าการรู้ตามความเป็นจริงเห็นกายอย่างที่เขาเป็นเห็นใจอย่างที่เขาเป็นดูของจริงของจริงจะแสดงใจรักษณ์ให้ดูนั่นแหละเพราะความจริงของกายก็คือใจรักษ์ความจริงของจิตก็คือไตรลักษอันนี้จังทุกขังอนัตตามีเท่านั้นเอง การที่เรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเห็นใจแสดงใจรักเรื่อยไปนั่นแหละคือการทํำมิปัสนาการรมฐานงั้นจิตต้องเป็นคนดูนะไม่ใช่จิตเป็นผู้แสดงต้องเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้กํากับเราไม่เข้าไปควบคุมกายควบคุมใจงั้นสิ่งที่ผิดมี2องงานหนึ่เผลอไปลืมกายลืมใจอันที่สองไปบังคับกายบังคับใจลืมกายลืมใจสุดโต่งไปข้างย่อหย่อนบังคับกายบังคับใจสุดโต่งไปข้างตึงเกินไป ไม่หย่อนไม่ตึงก็คือเห็นกายเห็นใจอย่างที่เขาเป็นเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นพอเห็นแล้วทีแรกไม่เป็นกลางเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันจะเห็นเลยนะความโกรธกับจิตเป็นโคล่านกันแต่ไม่ชอบไม่ชอบนี่ไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางเกิดขึ้นให้รู้ทันพอรู้ทันความไม่เป็นกลางมันดับความไม่ชอบความชอบไม่ชอบดับจิตจะเป็นกลางเราก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางขึ้นมา และตัวจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละเป็นจิตที่เดินมิปัฏนาได้เนียบที่สุดแต่อย่าตั้งอยู่เฉยๆยต้องมีสติรู้กายรู้ใจนะเครื่องมือมีสองอันเท่านั้นเองมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจมีใจที่ตั้งมั่นมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะทั้งหลายเป็นกลางก่อสภาวะทั้งหลายไม่เข้าไปแทรกแซง ถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงแลเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะสอนพวกเราเรื่อยๆนะว่าจําไว้นะประโยคนี้กว่าจะได้มาลําบากแทบแย่เลยให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วต้องรู้กายรู้ใจนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ไปบังคับมัน ให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตตั้งมั่นมาจากการรู้ทันจิตที่ไหลพิคิดนะจิตที่เป็นกลางมาจากการรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางยินดีขึ้นมารู้ทันยินร้ายขึ้นมารู้ทันแล้วจิตจะเป็นกลางขึ้นมาถ้าวันใดพวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วดูซ้าดูซากดูในกายในใจด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยไป เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีพวกเราควรจะได้มกผลสักขั้นหนึ่งอย่างน้อยๆควรจะนะควรจะไม่ใช่สิ่งที่เหลือวิสัยที่ฆรวาสคนหนึ่งจะทำได้นะ เ, เชิญไปทานข้าว